จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สหตุลาคมพุทธศักราชสอง7ห้าหเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันจเจริญปัญญาบารรมี ปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดคือปัญญาของพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ความฉลาดอันเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาใดขแขนงใดในระดับใด ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ต่อให้เรียนได้ถึงปริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่และความรู้ที่ได้จากปริญญาเอกนี้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาคือปัญญานี้ผู้ใดมีอยู่ในใจแล้วผู้นั้นย่อมดับความทุกข์ไปในใจได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความรู้ของทางพุทธศาสนานี้จะดับได้หมดความทุกข์ที่เกิดจากการทัดท่าเกิดจากการสูญเสียความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายจะไม่มีในใจของผู้ที่มีปัญญาพระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนิเกชน ยิงควรให้ความสำคัญต่อการเจริญปัญญาเพราะมีปัญญาแล้วก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟเวลาไฟลุกท่วมหัวใจคือความทุกข์ความทรมานใจก็จะได้มีปัญญามีน้ำมาดับไฟปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันหรือสามขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมยะปรรยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตมะยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการคิดค่ายควรพิจารณาและขั้นที่สามภาวนามะยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี่คือ ความรู้3ระดับด้วยกันที่เป็นเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันเหมือนกับเด็กเป็นคนโตคนโตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนแก่เป็นคนเจ็บคนเจ็บเป็นคนตายปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญาขั้นที่หนึ่งก็เป็นเหมือนขั้นอนุบาลปัญญาขั้นที่สองก็เหมือนขั้นมัธยม ปัญญาขั้นที่สามก็ขั้นอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปัญญาทั้งสามขั้นนี้ต้องไต่เต้าจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามตามลำดับขับ้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฝังเช่นพวกเราเวลาเรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันเรากำลังเจริญสุตตมยปัญญา เรากำลังศึกษาพราะธรรมคำสอนของพ่อพระเจ้าที่เป็นความรู้ความฉลาดที่จะสามารถทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆได้สิ่งที่เราจะได้ยินก็มีความรู้อยู่เจ็ดชนิดด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้การลเทศะ ความรู้เหล่านี้ถ้าเรารู้เราก็จะสามารถใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้เช่นการรู้เหตุมีเป็นอย่างไรก็รู้ว่าอะไรทำให้เกิดผลขึ้นมาอะไรที่ทำให้เราทุกข์อะไรที่ทำให้เราสุขรู้เหตุก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่นี่แหละ คือการคิดการพูดการกระทำของเราทางกายวาจาใจานี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้ผลคือความสุขความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเช่นเราคิดไม่ดีความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาเวลาเราโกรดนี่เป็นอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์เวล า, วาเราไม่โกรดนี้เป็นอย่างไรนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีเช่นเรา ใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็โกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใจของเราก็ร้อนขึ้นมาเป็นไฟแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราต้องการให้ใจเราสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเราก็ต้องคิดไปในทางที่ทำให้ใจเย็น เช่นรูเจ้าสอนให้คิดไปในทางให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกัน <Yeah. S 1> คิดว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วจะไปโกรธหรือไม่โกรธมันก็เกิดขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> นี่แหละคือวิธีง่ายๆให้รู้ทันรู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นคนอื่นเขาพูดอะไรเขาําอะไรถ้าเราไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาเราจะไม่ทุก ที่เราทุกเพราะว่าเราไปโกรธไปเกลียดเขาไม่พอใจเขาเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่มีปัญญารู้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีกับเราไม่ได้นี่คือปัญญาข่านต้นเรามาเรียนรู้ก่อนรู้ว่าสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติปฏิบัติอย่างไร ต่อสิ่งต่างๆเช่นเหตุความคิดของเราเราควรจะคิดอย่างไรการกระทาของเราการพูดของเราควรจะทาอย่างไรพูดอย่างไรวันนี้เรามาสมาทานศีลกันเพราะเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์ไม่ดีการรักทรัพย์ไม่ดีการประพฤติผิดประเวณีไม่ดีการพูดปดไม่ดีการเสพสุรายาเมาไม่ดี ทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจรึงมาสมาทานศีลกันนี่เรียกว่ารู้เหตุรู้เหตุพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาจากสุตมยปัญญาไปสู่ขั้นจินตมยะปัญญาก็คือเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆความรู้ที่เราได้ได้ยินได้ฟังมา ถ้าเราไม่คิดแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าความโกรธไม่ดีาการให้อภัยดีท่องไว้จาไว้ต่อไปเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะได้มีการให้อภัยมาดับความโกรธได้นี่คือขั้นที่สองคือจินตามยะปัญญาต้องเอาไปท่องจาเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง เวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่เอามาทบทวนเอามาพิจารณาเอามาเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะลืมไปพอลืมไปเวลาเกิดความโกรธก็ให้อภัยไม่เป็นนี่คือจินตาไม่ยาปัญญาปัญญาที่เราต้องเอามาเจริญต่อเอาสิ่งที่เราได้รับได้เรียนได้ฟังในในวัด เวลาฟังเทศน์นี่ก็เหมือนนักเรียนไปโรงเรียนอาจารย์สอนอะไรก็ฟังไปฟังไปแล้วพอกลับบ้านอาจารย์ก็ให้เอาการบ้านไปทำต่อเนียวันนี้ฟังเทศแล้วขั้นต่อไ ป, อไปกลับบ้านก็ต้องเอาไปพิจารณาต่อเช่นวันนี้เราได้ยินว่ามีปัญญาอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือสุตตามิยปัญญาขั้นที่สองก็คือจินตามิยปัญญา ท่านที่สามก็คือภาวนามายปัญญาเราก็เอาไปทบทวนไปสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะมีความฉลาดมีความรู้เราอยากจะดับความทุกข์ภายในใจเราต้องสร้างสุตตมายาปัญญาขึ้นมาสุตตามายปัญญาทำยังไงก็ต้องฟังฟังจากผู้อื่นก่อนฟังจากคนที่เขาฉลาดกว่าเรา อย่าไปฟังกับคนที่เขาโง่กว่าเราเพราะคนที่เขาโง่เขาจะสอนให้เราโง่เขาไม่ได้สอนให้เราฉลาดคนโง่ก็จะบอกว่าเวลาโกรธก็ฆ่ามันเลยเตะมันเลยทุบมันเลยตีมันเลยนี่คือวิถีของคนโง่แต่คนฉลาดท่านบอกว่าอย่าทําเขาทําเราแล้วเราถือว่าใช้เวรใช้กรรมไปดีกว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา เขาด่าเราเราไปด่าเขาเราคิดว่าเขาจะอยู่เฉยๆเลยเพอด่ากลับเขาก็ด่ากลับมาหรือดีไม่ดีเขาก็าก็ตีกลับมาเราเขาตีกลับมาเราตีกลับไปเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเรานี่แหละมันเป็นเรื่องของการไม่รู้เหตุรูปผลคนฉลาดเขารู้เหตุรู้ผลว่าถ้าไม่ต้องการให้ผลเสียหายตามมาไม่ต้องการให้ เรื่องราวขยายตัวใหญ่โตขึ้นมาต้องรู้จักให้อภัยต้องรู้จักหยุดหยุดต้องรู้จักยอมยอมก่อนถ้ายอมแล้วก็หยุดได้พอหยุดแล้วก็ใจก็จะเย็นใจก็จะไม่ทุกเวลาใครเขาดา่าเราก็ยอมให้เขาด่าไปถือว่าเราเป็นเหมือนนักโทษก็แล้วกันเป็นเหมือนคนใช้เขาเราอยากจะด่าอะไรก็ปล่อยให้เ้าด่าไป พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำตัวให้เป็นเหมือนปัฏิพีทำตัวให้เหมือนแผ่นดินเป็นที่เหยียบย่ำของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายแผ่นดินมันไม่เดือดร้อนสัตว์จะเหยียบคนจะเหยียบใครจะอุจจาร ะ, ะปัสสาวะใส่แผ่นดินแผ่นดิ น, มนไม่มันไม่เดือดร้อนฉันใดถ้าเราไม่ต้องการความเดือดร้อนไม่ต้องการความทุกข์ร้อนใจ ทำใจเราให้เป็นแผ่นดินเสียให้คิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะด่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําร้ายเราใครจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทําไปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็โปร่งเสียว่าถือว่าเป็นคำของเราก็ละกันก่อนหน้าแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นประธานาธิบดีเป็นขอทานมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีไม่มีใครหนีไปได้ดังนั้นขอให้เราปร่งเสียคิดว่าเราห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติของโลกนี้ทุกคนเกิดมานี้จะต้องเจอกับคำดุด่าว่ากล่าวทุกคนจะต้องเจอกับการสูญเสียทุกคนจะต้องเจอกับการเจ็บเนื้อเจ็บตัว เป็นเริ่มปกติเป็นธรรมดาของโลกนี้ถ้าไม่อยากจะเจอของเหล่านี้ก็อย่า ก, กลับมาเกิดถ้ากลับมาเกิดแล้วต้องเจอด้วยกันทุกคนแต่เจอแบบที่ทำให้เราไม่ทุกข์ได้คือยอมพอยอมแล้วเราก็จะหยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านหยุดตอบโต้ใครด่าเราก็เฉยใครตีเราก็เฉยใครฆ่าเราก็เฉย ถ้าอย่างนี้แล้วสบายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตอบโต้กันเดี๋ยวก็ต้องไปใช้เวงใช้กรรมกันฆ่ากันก็ต้องไปตกนรกไปอบายกันแต่ถ้าไม่ฆ่าเขาไม่ตอบโต้เขาถ้าไม่ไปถึงพระนิพพานก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆขณะอยู่ก็อยู่อย่างสบายใจไม่หวาดตัวไม่เดือดร้อนเพราะยอมทุกอย่าง ยอมตายยอมแก่ยอมเจ็บยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวยอมสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักต้องยอมทุกอย่างเพราะว่าในที่สุดเราก็ต้องเสียทุกอย่างไปไม่มีใครเอาอะไรไปกับเราได้เวลาไปร่างกายยังต้องทิ้งให้สับเล่เลยแม้แต่พี่น้องก็ยังไม่เอาเลยเวลาตายไปนี่สามีภรรยาเขา ลักเราขนาดไหนเขายังไม่เก็บเราไว้ในบ้านพอะถึงเวลาเขาก็ส่งไปให้ซับเปลเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราตัวเราวิเศษวิโสร่างกายของเรามันก็แค่ซากศพเดินได้นี่เองเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องไปวัดไปให้ใครเผาให้เขาเผาให้เผาแล้วก็กลายเป็นที่เท่าไปดังนั้นขอให้เราทาตัวทาใจของเรา ให้เป็นเหมือนขี้เท่าเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นเหมือนปัตถภีเป็นเหมือนคนรับใช้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนไอคนที่ด่าเราเนี่ยมันจะเดือดร้อนเพราะเราเฉยพอยิ่งเฉยมันก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่พอเวลาใครเขาดา่าเราเขาอยากจะให้เราเดือดร้อนพอเราเดือดร้อนแล้วเขาจะดีใจพอเราร้องไห้นี่เขาดีใจ แต่ถ้าเราไม่ร้องไห้เราเฉยๆนี่เดี๋ยวเขาเดือดร้อนเองเดี๋ยวเขาด่าเราด่าไปบ่อยๆจนเมปปื่อปากเขาก็หยุดไปเองไม่ต้องไปทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาห้ามตัวเขาเองในเมื่อเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเขาก็จะหยุดทำนี่คือปัญญาที่เรามาเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง เพราะเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้มาวัดถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพพระพุทธเจ้าเพราะคนในโลกนี้ไม่เห็นคุณค่าของการยอมไม่เห็นคุณค่าของการหยุดไม่เห็นคุณค่าของความเย็นใจเวลาทําอะไรเวลาเกิดอะไรขึ้นกับตนแล้วไม่ยอมทั้งนั้นใครมาแย่งผัวไปนี่ฆ่ากันเลยใครมาแย่งสามีกันนี่ฆ่ากันเลย แย่งภรรยากันฆ่ากันเลยใครมาแย่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองฆ่ากันเลยฆ่าแล้วเป็นงไงใจก็ร้อนเป็นไฟอยู่ก็ไม่มีความสุขฆ่าเขาแล้วก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆหวาดกลัวไปตลอดเวลานี่แหละเป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะได้ยินได้ฟังกันพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นที่สองเราก็เอามาพัฒนาเอามาเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อย ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอแล้วไม่หลงไม่ลืมแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาพอมีใครมาด่าเรามีใครมาทำร้ายเราเราก็จะได้ใช้ปัญญานี้หยุดความโกรธหยุดความอาฆาตพยาบาทนี่ปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตอนต้นเรามาซ้อมก่อนมาคิดไว้ก่อน มาทำการบ้านไว้ก่อนขั้นที่สองนี่ก็ว่าเป็นขั้นทาการบ้านอาจารย์สอนให้ปล่อยวางให้ทาตัวเป็นปฏิทีขั้นที่สองก็มาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปนี้เราต้องปล่อยวางเราต้องไม่โกรธเราต้องให้อภัย <Yeah. S 1> เราต้องยอมยอมเจ็บยอมตาย <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่มีใครไม่ไม่เจ็บไม่ตายกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บต้องตาย ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปคอยสอนใจเรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเกิดเหตุการณ์มีคนมาด่าเรามาแย่งสมบัติเราไปมาแย่งสามีแย่งภระระยาเราไปเราจะได้ยอมเราจะได้หยุดเราจะได้ไม่ไปีเรื่องมีราวกับเขาไม่ไปจองเวจองกรรมกับเข า, เาก็จะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนของ ภายนอกกายเดี๋ยวก็หาใหม่ได้แต่ถ้าไปมีเวรมีกรรมกันแล้วนี่มันอยู่ไม่เป็นสุขมันอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความหวานระแวงแล้วถ้าไปทำร้ า, ายเขาก็อาจจะถูกจับไปลงโทษขังคุกขังตารางหรือถูกไปจับประหารชีวิตได้เนี่ยนีคือผลต่างๆที่จะตามมาถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อย พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราจะได้มีภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่จะมาใช้ดับความโกรธดับความเกรียดดับความแค้นดับความโลภความหลงต่างๆได้ถ้าเราไม่ได้มีสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะลืมจะนึกไม่ทันจะนึกไม่ทันว่าเราต้องยอมต้องหยุดต้องเย็นต้องไม่ตอบโต้ ใครจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้อย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังให้เขารักเราชอบเราชมเราเพราะถ้าเราหวังอย่างนี้เวลาเขาไม่รักเราไม่ชมเราเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปหวังเขาไม่รักเราเราก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่ชมเราเราก็ไม่เดือดร้อนเขาด่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปหวังอะไรจากใครทั้งนั้นนี่คือปัญญา ขั้นที่สามพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาแล้วเราก็จะหยุดใจได้ทันทีเพราะเรายอมยอมทุกอย่างใครจะขโมยข้าวของเงินทองไปก็ยอมใครจะด่าก็ยอมใครจะตบตีเราก็ยอมใครจะฆ่าก็ยอมถ้ายอมแล้วใจจะไปสวรรค์ใจจะไปพระนิพพานถ้าใจไม่ยอมตอบโต้ต่ อ, ตอสู้ ด่ากันไปด่ากันมาทุบกันไปตีกันมาฆ่ากันไปท่ากันมาใจก็จะไปอบายต่อไปต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาจองเวีจองนำกันใหม่เกิดมากี่ภพกี่ชาติเวลาเจอกันก็จะด่ากันทันทีโกรธกันทันทีเกลียดกันทันทีนี่แหละเรียกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญาสามขั้นขั้นที่หนึ่งต้องเรียนต้องรู้ก่อนต้องศึกษาก่อนต้องฟังจากผู้รู้ ผรู้ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาก็มีสามมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่เรายึดเป็นสานะเป็นที่พึ่งก็คือเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะท่านมีความรู้ที่จะสอนให้เราฉลาดสอนให้เราเอาความรู้นี้มาทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจเราได้อย่างมีญาติโยมเสียสามีไป แต่เขามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเขาเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาสามีตายเขาก็ทำใจได้เขาไม่เดือดร้อนเขาหัวเราะได้เขายิ้มได้เพราะเขามีภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็เกิดจากจินตามยปัญญาเกิดจากคิดการคิดการพิจารณาการไข้ควรอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้พิจารณาอยู่ดังเนือง ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดเราจะลืมพอเราลืมแล้วเราก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมา ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเจนตอนนี้เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายใจรู้รู้สึกวุ่นวายใจถ้าวุ่นวายใจก็แสดงว่าเรายังไม่ได้สอนใจให้รับความจริงอันนี้ถ้าเราสอนใจไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งใจมันจะตรงได้จะยอมรับได้ มันจะรู้ว่าไม่มีใครไม่ตายในโลกนี้ทุกคนที่อยู่ในศาลาเนี่ยแก่ด้วยกันทุกคนเจ็บด้วยกันทุกคนตายด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนใครใครจะเจ็บก่อนใครเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ไม่ทําการบ้านไม่สอนใจไว้อยู่เรื่อยๆพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะทําใจไม่ได้ <Yeah. S 1> เหตุที่เราทําใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักทําใจให้นิ่งนั่นเอง เราจึงต้องมาฝึกวิธีทําใจให้นิ่งกันก่อนวิธีทําใจให้นิ่งเราเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือความนิ่งของใจใจจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามานั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เหมือนกับหุงข้าวไม่มีไฟหุงไปจนวันตายข้าวมันก็ไม่สุก ต้องมีไฟก่อนต้องจุดไฟสมัยก่อนต้องจุดไฟใช้ถ่านสมัยนี้ก็ต้องเสียบปลัก๊กไฟถึงจะมาถ้าตั้งมองข้าวแล้วไม่เสียบปลัก๊กมีโยมบางคนตอนเช้าไม่ทันใส่บาทบอกว่าหุงข้าวแต่ลืมเสียบปลัก๊กพอพะมาถึงบ้านเปิดหม้อข้าวดูอ้าวมันยังยังยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเพราะว่าเหตุไม่มี เหตุก็คือไม่มีไฟจันดานั่งสมาธิใจไม่สงบก็เพราะไม่มีสติสติคืออะไรก็คือการควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ลอยไปลอยมาเช่นให้อยู่กับพุทโธคำเดียวเตินขึ้นมาก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปไเรื่อยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องคิดก็หยุดพุทโธได้ คิดเรื่องจำเป็นนี้มันไม่มีมากหรอคิดเดี๋ยวเดียววันนี้จะไปทำอะไรไปพบใครแค่นี้ก็จบละแล้วเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธเวลาที่เราเตรียมตัวจะไปทำอะไรไปทำงานเราก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปแปรงฟันก็พุโทโธไปอย่าแปรงฟันไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาบน้ำแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะลอยแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธ อ, อย่างเดียวใจจะนิ่ง ใจจะเป็นสมาธิได้พอมีเวลาว่างจะมานั่งสมาธิก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวใจก็เข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขานี่แหละเราต้องการตัวนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้เวลาเกิดความโกรธเราจะเฉยไม่ได้เวลาใครด่าเราเราจะเฉยไม่ได้เวลาใครเอาข้าวของของเราไปเราจะเฉยไม่ได้ เวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะเฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีตัวนี้เราฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆพอเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาใจเราจะเฉยเป็นจะเฉยได้เวลาใครทำให้เราโกรธเราก็จะหยุดมันได้เวลาใครทำให้เราเสียใจเราก็จะหยุดมันได้เพราะเรามีสมาธิมีตัวเฉยอยู่ตอนนี้เราเฉยไม่ได้ พอใครด่าปุ๊บนี้ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีจะโกรธขึ้นมาทันทีใครเข้าเอาอะไรเราไปนี่จะเสียใจทันทีใครทำให้เราผิดหวังก็จะเสียใจทันทีเพราะเราไม่เคยฝึกทําใจให้เฉยนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาให้เกิดผลขึ้นมาเราต้องรู้จักทาใจให้เฉยต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักยอมต้องรู้จักเย็น วิธีที่จะทําให้เรายอมหยุดเย็นก็คือการทําใจให้สงบนี่เองเพราะฉะนั้นขอให้เราหัดมาฝึกเจริญสติกันตั้งแต่ตื่นจนหลับสตินี้เราทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาวัดก็ได้มาวัดก็ดีมันจะทําให้ง่ายกว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเพราะเวลาทําอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานเดี๋ยวต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้อง ก็จะทำให้พุโทโธไม่ได้แต่ถ้ามาอยู่วัดไม่มีอะไรทำไม่ต้องเจอใครก็สามารถพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยๆคนจึงนิยมมาอยู่วัดกันแจงวันพระนี่ชอบมาอยู่วัดกันเพื่อจะได้มาเจริญสติพอมีสติแล้วเวลาตั้งสมาธิใจก็จะสงบพอใจสงบใจก็เย็นสบายมีความสุขมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวได้ไป ดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆนี่แหละคือเรื่องของการทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้สนับสนุนเวลาที่เราใช้ปัญญาเวลาใครโกรธเราจะได้บอกว่าไม่เป็นไรเขาดา่าเขาทาไปแล้วก็าด่าล้าแล้ ว, ลวเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปโกรธเราก็โง่สองต่อ ให้เขาด่าแล้วเราองต้องมาเจ็บเจ็บใจอีกทำไมให้เขาด่าอันเดียวก็พอเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้เสียใจได้ห้ามใจเราไม่ให้โกรธได้ห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้นี่แหละถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ทันทีทันใด เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามหมัน่นเจริญปัญญากันอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังธรรมแล้วก็เอาไปพิจารณาต่อไปทำการบ้างไปเตือนใจไปสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะได้ เอามัญญานี้มาดับความทุกข์ได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญปัญญาบารมีนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย